สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สองร้อแปดสิบห้าคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่หกสิบขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงการที่พระเยซูทรงล้างเท้าสาวกมาถึงเปโตเปโตบอกว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เปโตได้สํานึกในความบาปและความไม่เหมาะสม แต่พระเยซูก็ตรัสตอบเปโตรว่าถ้าเราไม่ล้างเท้าท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้นั่นหมายความว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระเยซูนั้นต้องรับการรับใช้ล้างเท้าจากพระเยซูนั่นหมายความว่าต้องรับการชำระความผิดความบาปโดยจิตใจที่สำนึกผิดครับเมื่อเราได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราก็ได้รับการอภัยโทษนะครับในเชิงสารครับพี่น้องเมื่อวานนี้ได้พูดไปแล้วนะครับ ในการในเชิงความสัมพันธ์พี่น้องครับมันยังต้องดาเนินต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังคงความสัมพันธ์กับพระเยซูถ้ามันเต็มนะครับเราก็ได้รับการชําระล้างอย่างบริสุทธิ์หมดจดแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้กับพระเยซูได้เราก็เริ่มออกห่างจากพระเจ้าความบาปก็เริ่มมาเกาะกินและสะสมอยู่ในชีวิตของเรามันจึงกลายเป็นปมหรือเป็น ความขมขืนหรือเป็นความไม่มีความชื่นชมอินดีครับการไม่มีความชื่นชมอินดีนั้นเป็นเหมือนกับตัว KPI เป็นตัวชีวช้วัดกับชี้วัดการอภัยโทษบาปการคืนดีกับพระ Jaw เพียงครับหลายหลยครั้งทีเดียวในชีวิตของเรานั้นขาดความชื่นชมอินดีนะครับหลายหายครั้งทีเดียวใบหน้าของเรานั้นหม่นหมอง เพราะเหตุที่เรายังไม่ไว้วางใจพระเจ้าอย่างเพียงพอครับเพราะเหตุที่เรายังไม่ได้รับการยกโทษให้อภัยเรายังไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงครับพี่น้องครับในคนาําอธิฐานของเราหลังจากที่เราขอให้พันามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับเราต้องตระหนักว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้เลี้ยงดูฝ่ายร่างกายของเราเราต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่าเท้าของเรายัางสดกโปกครับ ปราบใดที่มันยังคงสปกปรกโดยที่เราไม่สารภาพบาปและกลับใจใหม่เราก็กําลังสูญเสียความปราบปลื้มยินดีเพราะฉะนั้นเรากําลังสูญเสียเวลาแห่งความชื่นชมยินดีแห่งความปราบปลืม้มแห่งการมีสันติสุขในพระเยซูซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ทางกายชิดกับพระเจ้าเราสูญเสียไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเราขาดทุนมากมากทีเดียวกับพี่น้องการมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่จึงเป็นเหตุที่ หรือเป็นสาเหตุที่สําคัญนะครับที่นําเอาความชื่นชมอย่าดีกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราครับและท่าเทียม ก, กันกับใจใหม่นั้นจึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคริสเตียนด้วยเพี่อนๆครับในวันนี้เราย้อนกลับมาดูชีวิตของดาวิดครับหลังจากที่นาธันนั้นได้ทูลต่อกษัตริย์ดาวิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดยกบาปของท่านแล้วต่อจากนั้นไม่นานครับดาวิดก็เขียน นอกจากเฉุิดีบทที่ห้าสิบเอ็ดแล้วดาวิดก็เขียนในเฉุดีบทที่สาสิบสองข้อที่ห้าได้บอกว่าข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์มิได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าดาวิดทราบนะครับว่าท่านได้รับการอภัยโทษในเชิงสารเรียบร้อยแล้วแต่ท่านก็ยังทูลขอด้วยท่าทีของการสารภาพบาปเพื่อเป็นการเปิดช่องทางไปถึงพระบิดาครับ และเพื่อคงความใกล้ชิดสนิทสนมในสัมพันธภาพที่เคยมีต่อกันพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องการสารภาพบาปเป็นสองสถานสถานหนึ่งก็คือเชิงสารครับอีกสถานหนึ่งก็คือเชิงสัมพันธภาพพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมีสาระที่สำคัญมากครับสาระแห่งคาอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพง คือการอ้อนวอนคือการทูลขอการชําระความบาปที่เราสารภาพต่อพ ร, พระองค์เป็นระยะระยะครับพี่น้องขอการชําระความบาปที่เราสารภาพต่อองค์ผู้เป็จําเป็นระยะระยะสม่ําเสมอไปเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานแต่มีความสัมพันธ์และความสําคัญอย่างมากทีเดียวสิ่งที่น่าตื่นตะหนกตกใจก็คือหากเรารู้ว่าพระประสงค์น้ำมัไทย อันแรงกล้าของพระเจ้าในการที่จะยกโทษบาปให้แก่เราหากเราเคยเป็นคนที่นับถือศาสนาอื่นเราก็อาจจะคิดว่าพระเจ้าเหมือนกับมนุษย์นะครับที่อาจจะเอือมละอาต่อการขอโทษของเราทําผิดมาก็ขอโทษทําผิดมาก็ขอโทษทําผิดมาก็ขอโทษพี่น้องครับเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าเอื้อมละอาหรือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้พวกที่เป็นคริสเตียนเนี่ยมีสิทธิพิเศษ ทำอะไรผิดก็ได้ไม่เป็นไรขอโทษอย่างเดียวขอโทษอย่างเดียวพี่น้องครับผมเคยได้อธิบายให้ความหมายถึงประเด็นนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็คือแท้จริงแล้วการที่เราบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนนั้นท่าทีแห่งการเสียอกเสียใจเมื่อวเวลาทําบาปนั้นจะมีสูงขึ้นครับท่าทีแห่งการเซนสิทีฟกันไวต่อการทำบาสนั้นสูงขึ้นครับเพราะเหตุที่พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่เตือนเราครับเตือนสติเรา พี่น้องครับเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าเหมือนมนุษย์นะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับอย่ามโนพระเจ้าขึ้นมาเองครับให้เราดูครับว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรมีคาครับมีคาบทที่เจ็ดข้อที่สิบแปดมีคาได้กล่าวว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความเมตตาความเมตตานั้นเป็นพลักษณะของพระเจ้านะครับที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเมตตาครับเนฮะมีบทที่เก้าข้อสิบเจ็ดในฮะมีบทที่เก้าข้อสิบเจ็ดได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัยพี่น้องครับดูสิครับว่าพระเจ้าของเรานี่ดีเลิศประเสริฐขนาดนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักเราและพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะให้อภัย พอพระไทยในความเมตตาของพระองค์เป็นพลักษณะที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่เป็นอย่างนี้แล้วครับและมีพระเจ้าองค์เดียวในโลกนี้ที่เป็นอย่างนี้ด้วยพี่น้องครับเราจะไม่มีวันเคยได้ยินว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะต่อไปนี้เจ้าจะต้องรับผลของมันเราได้อภัยเจ้ามากกว่าที่เจ้าควรจะได้รับหลายเท่าแล้วพระองค์ไม่เคยพูดอย่างนี้ครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสเสมอหลายหลาคนได้พูดอย่างนี้นะครับ โดยพ่อยิ่งนักเทศบอกว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองไม่มีโอกาสอื่นๆนะครับนอกจากโอกาสที่สองโอกาสที่สองหมายความว่าไงครับโอกาสที่สองหมายความว่าโรงให้โอกาสเราเสมอครับไม่มีโอกาสสุดท้ายไม่มีโอกาสอื่นๆที่เป็นโอกาสสุดท้ายไม่มีครับหยดจนกระทั่งวันที่เราจากโลกนี้ไปนั่นแหละครับคือโอกาสสุดท้ายหากคนที่ยังไม่ได้กลับใจนะครับหากคนที่ยังไม่ได้กลับใจ เราเป็นผู้ที่กับใจแล้วบังเกิดใหม่แล้วแน่นอนครับเราอยู่ในน้ําอทไทยของพระเจ้าและอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าไม่มีอะไรที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าความรอดของเรานั้นเป็นความรอดที่มั่นคงและยืนยาวนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าครับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือว่าเราจะมีโอกาสที่สองไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนั้นที่เราหลบหมดลมหายใจครับโอกาสที่สองนี้ก็จะจบลง พี่น้องครับนะอีกตอนหนึ่งในเช้าวันนี้ก็คือโรมบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบโรบบที่ห้าข้อที่ยี่สิบได้กล่าวว่าแต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไพร่บุญมากยิ่งขึ้นพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเพียมด้วยความรักที่จะให้อภัยเราเสมอเราก็ทราบว่าเราสามารถรับการอภัยโทษทั้งหมดที่เราได้ทําบาปไปแล้วก็ไม่มีวันที่จะทําให้การอภัยโทษของพระเจ้าลด น้อยถอยลงไปได้เราสามารถจะกลับมาหาพระเจ้าได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการถ้าว่าเรามีความตั้งใจจริงเรามีความจริงใจเรามีความเสียใยเสียใจเรามีความรู้สึกเจ็บปวดที่ได้ทำบาปรู้สึกไม่อยากทำบาปอีกต่อไปแล้วพี่น้องครับนั่นคือโอกาสที่สองเราสามารถกลับมาหาพระเยซูได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการเนื่องจากความบาปของเราได้ถูกปกปิดไว โดยพระฤทหิตได้รับการชำระไว้โดยพระฤทธิตเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับเราจึงไม่ควรมีท่าทีที่จะรักความบาปและจมอยู่ในความบาปอีกต่อไปนะครับถ้ า, าว่าผมรู้ว่าพระเจ้าได้ยกโทษบาปของผมแล้วและรู้ว่าไม่ว่าผมจะกลับมาทูลขอการอภัยโทษอีกสักกี่ครั้งพระองค์ก็ยังยกโทษบาปให้ผมได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นใบเบิกทางที่ผมจะสามารถทำบาปได้ตลอดเวลาและผมดำรงตนอยู่ในความบาปนะครับความจริงอันนี้น่าจะทำให้ผมไม่กลับไปทำบาปอีกมากกว่าที่จะเป็นการเปิดช่องให้ผมมีอิสระในการทำบาปพี่น้องครับเราไม่สามารถนำการยกบาปมาใช้ในทางที่ผิดได้ครับพี่น้องเราไม่สามารถนำการยกโทษบาปซึ่งซึ่งเป็นสิทธิพิเศษแห่งพระคุณของพระเจ้ามาใช้ในทางที่ผิดได้ และถ้าจะมีสิ่งใดที่สามารถทําให้มนุษย์อยู่ในทางชอบทำได้สิ่งนั้นน่าจะเป็นความรักไม่ใช่หรอครับพี่น้องน่าจะเป็นความรักอันเปี่ยมล้นที่เกิดจากหัวใจนะครับหัวใจของเราในการขอบคุณพระเจ้าสํานึกในพระคุณความรักของพระเจ้าที่เกิดจากการให้อภัยครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าครับในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายได้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่นี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับเมื่อเรามองเห็นการโปรดประทานให้แก่เรา ก็คือการยกโทษบาปนะครับเราได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากความบาปนะครับเรามาถึงการ wall, อ้อนวอนทูลขอนั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะสรารภาพบาปกับใจใหม่ครับคำทูลขอทั้งหมดนี้มีความหมายเราสามารถที่จะรู้เรื่องความบาปและการให้อภัยได้แต่ถ้าเราไม่ยอมสรารภาพไม่มีท่าเทียงกันกับใจใหม่สิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์ครับพระคุณของพระองค์ก็ไม่สามารถมาถึงชีวิตของเราได้ ขอเจ้าช่วยเรานะครับเราต้องสารภาพบาปเราต้องมีท่าเทียม ก, กันกับใจใหม่และเราต้องเปิดใจยอมรับผิดเราต้องมีความรู้สึกขยะแขยงกับความบาปไม่อยากจะทํามันอีกนี่คือสิ่งที่เป็นช่องทางที่จะเราจะรับการอภัยโทษบาปอามน